พอได้ไหม <laughs> พอได้ไหมถึงว่าไปดูตัวเองได้ ไ, ม, ไม่ตั้งคณะกรรมาการนะ <laughs> ให้เป็นคนที่มีพัฒนาการสีด้านพัฒนาการสีด้านจะมาไดจากการศึกษาสามข้อไตรสิกขาคือศีลและสิกขาศึกษาเรื่องศีลเรื่องศีลก็ครอบคลุมอย่างที่บอกแล้วรับรู้โลกและแสดงออกกับโลก สองทางศึกษาเรื่องจิตคือพัฒนาจิตนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นสิ่งที่เราจะพัฒนาทางจิตให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้ได้แนะนำในยุคนี้ก็เจริญสติขึ้นมาก่อนทำความรู้ตัตขึ้นมาก่อนเพราะสติเป็นธรรมที่ทำแล้วจะไม่เกิดความผิดพลาดมีสติแล้วจะไม่ผิดพลาดทุกครั้งที่มีสติเกิดขึ้นมาจะไม่มีกิเลสนี่เนเป็น เป็นหน้าที่ของสติที่เกิดขึ้นมา่อไรไม่มีกิเลสจิตเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะขณะใดที่มีสติขณะนั้นไม่มีกิเลสปนอยู่เลยในขณะนั้นไ ม, ม่ไม่มีปนอยู่เลยก็ดูอย่างนี้ขณะใดที่มีกิเลสขณะนั้นเผลอไปแล้วแล้วก็มาดูจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่น อย่าไปแกล้งทำอย่าไปแกล้งทำให้มีวิหารธรรมก่อนทำเคอร์ฟิลให้กับตัวเองก่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วมันก็จะแหกเคอร์ฟิลออกไปแหกเคอร์ฟิลออกไปก็ตอนที่มันแหกออกไปมันหนีออกไปเนี่ยนะให้รู้ทันว่ามันไปไม่ต้องไม่ต้องเร่งให้มันไปด้วยจิตมันหิวมันอยู่แล้วมันคอยจะไปอยู่แล้วพอไปให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนตอนเคลื่อนเนี่ย ถ้าเห็นความเคลื่อนจิตมันเช่นว่าจิตมันคิดถึงคิดถึงใครดีคิดถึงคิดถึงคุณรออันนี้หาใครไม่ได้เอาคุณรอเนี่ยหละคิดถึงคุณลอเนี่ยนะคนนี้คนนี้ใช่ไหมชื่อรอป่ะคิดถึงคุณรอตอนที่จิตเคลื่อนไปแล้วถึงที่หมายมันจะปรากฏหน้าคุณรอขึ้นมาหน้าอย่างเงี้ยหน้าดูหน้าไว้อจำได้ไหม ำได้แล้วนะถ้าเราคิดถึงคุณรอถ้าจิตเคลื่อนไปสำเร็จไปงาบไม่ใช่งาบหน้าเขานะไปเสวยอารมณ์ไปเสวย อ, อารมณ์จิตก็เสวย อ, อารมณ์คือไปกินอารมณ์นั้นเรียบร้อยจิตก็ไปเสวย อ, อารมณ์เคลื่อนเรียบร้อยแล้วอาการของการเคลื่อนเรียบร้อยคือปรากฏหน้าคุณรอขึ้นมาในใจนี่จิตเสวย อ, อารมณ์เรียบร้อยแล้วถ้าแค่นี้ไม่พอจิตยังหิวอีกก็ ปรุงแต่งว่าคุณรอจะไปนั่นจะไปนี่คุณรอจะมาคุยกับเราคุณรอจะเอาไอ้นั่นมาให้เราคุณรอจะเอาไอ้นี่มาให้เราปรุงไปเรื่อยตามความหิวของจิตหิวอะไรมันก็ปรุงไปหาสิ่งนั้นหิวอย่างไหนก็ปรุงไปตามนั้นปรุงจนอิ่มแล้วเดี๋ยวไปนึกหน้าคนอื่นต่อนึกเรื่องอื่นต่อแต่ถ้าเอาใหม่เคอร์ฟิลกลับมาเนคะเคหหาสถาน วิหารธรรมของเรากลับมาวิหารธรรมของเราแล้วมันก็หิวอีกหิวอีกก็ไปอีกสมมติไปหน้าเดิมทีแรกเนี่ยถ้ามันหิวแล้วไปกินสำเร็จคือปรากฏหน้าคนนั้นในใจแต่ตอนที่เรารู้ทันความเคลื่อนและมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงขนาด น, นั้นเห็นมันไหวไปยังไม่ทันปรากฏหน้าว่าเราคิดถึงใครเห็นมันไหวไป รู้ทันตอนนี้เรียกว่าเห็นจิตที่มันเคลื่อนเกิดจิตตั้งมั่นในขณะนั้นจิตยังไม่ทันไปเสวยอารมณ์ยังไม่ทันงาบหน้าคุณรอเห็นมันไหวปุ๊บรู้ทันอย่างดีเรียกว่าเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตไหวจิตเกิดความตั้งมั่นพอดีนึกออกหแยกออกไหมระหว่างที่เคลื่อนสัเร็จแล้วกับเห็นมันเคลื่อนเห็นมันเคลื่อนคือ มันยังไม่ถึงปลายทางเห็นมันเคลื่อนตอนที่มันเคลื่อนสำเร็จเลยเนี่ยมันไปลปลายทางแล้วตอนที่เห็นมันเคลื่อนคือเห็นมันไหวจิตมันไหวออกมาครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าธาตุนี้เป็นจิตดวงเดิมจิตดวงใหม่มันต่อกับจิตดวงเดิมพอดีถ้าอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นถ้ามันเคลื่อนไป เคลื่อนไปคือจิตหิวอารมณ์นิดเดียวก็เคลื่อนแล้วนิดเดียวก็เคลื่อนแล้วตอนที่เราดูด้วยจิตที่มีกำลังเลยนะจะเห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจิตจะไหวไหวไหวไหวไห ว, ไ, วไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ต้องอดทน <laughs> ต้องอดทนฟังเพลงซ้ำๆอดทนเห็นมันเคลื่อนซ้ำๆอดทนถ้ามันเคลื่อนอย่างนี้บ่อยๆทาความสงบขึ้นมา มันเริ่มทําสมถะแล้วสังเกตดีๆนะท่านเปิดเพลงให้เราฟังทั้งประเทศพร้อมกันเนี่ยท่านเปิดเพลงปลุกใจเห็นไหมแสดงว่าให้เราทําความสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ทําซึมซึมไม่ใช่ให้ทําซึมซึมให้อยู่ในความสงบแล้วปลุกใจขึ้นมาให้ตื่นด้วยถ้าซึมแบบสงบแบบซึมซึมเนี่ยนะ มันจะมีความรู้ตัวสงบแบบซึมเนี่ยเป็นสมถะแบบคุณภาพหวยต้องเป็นสงบจะแบบตื่นตัวปลุกใจขึ้นมาด้วยถ้ารู้สึกว่าทำความสงบของเราขณะนั้นมันซึมไม่รับรู้อะไรเนี่ยนะให้นึกถึงสถานการณ์ว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ท่านให้ปลุกใจขึ้นมา <laughs> แล้วก็พอเห็นสถานการณ์ในใจของเรานะเกิดอะไรขึ้นซ้ำๆอันนี้ให้ดูด้วยความอดทน แล้ถ้าไม่อยากจะทนแล้วไปทําความสงบแบบอารัมมณูปนิชฌานแบบอารัมมณูปนิชฌานและพอมีความสดชื่นขึ้นมามาดูต่อคราวนี้จะเริ่มมีกําลังในการดูมากขึ้นอาจจะสบายอาจจะดูแล้วอ๋อย่างงี้นี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาได้อ๋อแค่นี้เองเวลาทำเนี่นะถ้าเจริญปัญญาได้ให้เจริญดูความเกิดขึ้นเปลี่ยนไป ที่มันทำงานเองเจริญปัญญาขึ้นมาคือเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างนี้เหตุการณ์ในใจของเราเนี่ยนะเป็นไปเองอย่างนี้เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแท้ๆไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงถ้าทำตัวนี้ไม่ได้ให้ทำความสงบคือทำสมถะสมถะก็ไม่ได้ทำไงดี <laughs> ต้องเคอร์ฟิล พอได้ไหมตัวตัวที่จะพลาดอีกตัวหนึ่งก็คือไปแทรกแสงตัวแทรกแสงพอเห็นตรงนี้ดีแล้วจะมีทำเทียมทำของเทียม Co อปปี้กอปปี้นี่ก็ไม่ได้ของแท้คือจิตมันเป็นอย่างงี้แล้วรู้ทันจิตเป็นอย่า ง, งี้แล้วรู้ทันพอรู้ทันเกิดขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยจิตเมื่อกี้นี่ดีจัง จิตที่มีตัวรู้เมื่อกี้นีดีจังแล้วก็แกล้งทารู้ไอ้แกล้งทำรู้เนี่ยตัวเทียมตอนรู้ที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะคล่องแคล่วมันจะคล่องแคลว่วแต่ถ้าตัวรู้เทียมๆเนี่ยมันจะทื่อๆสังเกตนะถ้ารู้สึกว่ารู้เมื่อกี้มันรู้ทื่อๆรู้ตอนเนี้ยที่รู้อยู่เนี่ยรู้สึกว่ายังรู้อยู่นะแต่รู้สึกมันทื่อๆแสดงว่าเทียมเทพผีซีดีเถื่อนไม่ได้ไม่เอา เลิกปล่อยจิตให้มันธรรมชาติไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สงบพอมันไม่สงบรู้ทันความไม่สงบพอมันเคลื่อนไปรู้ทันว่ามันเคลื่อนไปพอมีกิเลสรู้ทันว่ามีกิเลสเห็นตามความเป็นจริงถ้าไปแทรกแซงจะไม่เจอของจริงหนักไปไหมวันนี้รู้สึกไม่มีนิทานอะไรเลยเนาะ <laughs> <laughs> วันนี้ของงดนิทานหนึ่งวัน <laughs> มีนิทานเนีต้องนึกชื่อตัวละครตอนนี้ไม่รู้จะนึกชื่อตัวไหนแล้ว <laughs>